ก็จะเป็นปกติเป็นกลางกลางหลักของสติปัฏฐานสี่เมียเนี่ยคือรู้ทันอารมณ์ทั้งฝ่ายดีและก็ฝ่ายไม่ดีเมื่อรู้ทันแล้วที่ก็จะเป็นปกติอันนี้คือการปฏิบัติซึ่งคนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเจริญสติก็ดีหรือการใช้ชีวิตก็ดีก็จะมุ่งอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีเสมอเสมอพอเริ่มเจริญสติเราก็อยากให้มีความสงบ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 การไม่ชอบอารมือนเนี้ทำให้จิตเราเนี่ยมันไม่สงบจิตไม่เป็นปกติไม่เป็นกลางแล้วก็มุ่งหนอย่งเนี้ยพอเจอความวุ่นวายเราก็ไม่ชอบเจอความสงบเราก็ชอบการได้ดูได้ฟังได้ดมกลิน่นได้ลิ้มรสในสิ่งที่เราชอบใจเราก็มีความสุขส่วนเราไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ได้ยินใจเราเราก็มีความทุกข์ก็เนี่ยจิตเราก็จึงวิ่งขึ้นวิ่งลงคลุมดีคลุมลาอยู่อย่างงี้แหละจิตไม่เป็นกลาง